เป็คนดีจรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีอะไรแปลกๆกว่าชาวบ้านอยู่บ้างหรือว่าบางคนบางจะมีใครเขคล้ายฉันบั่งก็ไม่ทราบแต่ฉันเองรู้สึกว่าฉันน่ะเป็นคนที่แปลกที่สุดธรรมดาที่น้อยนั่งหลายที่เกิดร่วมท้องกันไม่มีใครเขเหมือนฉันตอนเล็กๆตั้งแต่ตอนเด็กๆเกองเดินเองไม่ได้ ฉันเป็นคนที่เอาใจฉันว่าจะเอาอะไรเขาต้องเอาให้ได้สมความปรารถนาก็เรียกว่าเป็นเด็กเขาเรียกว่าเป็นเด็กอะไรขี้อ่อนขี้รั้นดื้อนี่อะไรก็ไม่ทราบท่านแม่ก็บอกว่าขี้อของฉันคนโตคือขี้คือวงเป็น ค, ค, ค, คนเลี้ยงฉันจะไปทางไหนก็ขี้เมยไปแล้วก็ขี้พาอุ้มเดินไปไปเจงที่เไหนล้วก็ขี้ต่อไปแล้วก็ขี้ต่อไปไม่มีเวลาหยุด เวลาต้องการจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้ของความตั้งใจไม่งั้นก็สแสดงฤทธิ์แดงเดชตางๆเี่ากันอย่างนี้เมื่อฉันเป็นเด็กเป็นมาแล้วไม่เป็นแต่เด็กโตแล้วก็เป็นถึงเดียวนี้ก็ยังเป็นอยู่หมาวามว่าถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ได้ทั้งๆที่จะว่านเขาบอกว่าริงเหล่านี้มันเป็นเหตุเกินทีสายเขาบุคคลธรรมดาจะทาได้ แต่ว่าถ้าฉันคิดว่าถ้าฉันจะทําให้ได้ฉันต้องทําและการทําอย่างนั้นฉันจะต้องแลกโดยชีวิตกับความสําเร็จหม้ยความว่าถ้าไม่สําเร็จฉันยอมตายนี่เป็นอาัารของฉันไปจํามาเลยอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแต่คิดว่าจะทําแล้วต้องทําให้ได้เพรว่าตอนบางเอื่ทีเดียวไอ้จิตที่จะต้องทําทํานั้นมันไม่ค่อยจะไปเสีย หมายความไม่คว ก, ก, ก, กับติดกฎหมายเป็นตะก้อนติดเจตหมายเพมี่ตะกว่าไปทีหลังจะเล่าให้ฟังตอนนี้อาการอย่างนี้เนะมันกลับมาติดแอ้นเด็กๆนี่เขายกให้เป็นลูกสมัยนี้เนะใครเข้าเด็กมายกให้เป็นลูกแล้วลูกเขาจะมีอปัญหาใจคอไปอยังญ่ก็ตามบางคนก็สงบสงบเรียบร้อยเป็นคนดีแต่แพอเขาไม่ยกให้เป็นลูกของฉันเขา้ามันจะมีอาการเหมือนฉันหมดหลายร้อยหลายไัค น, คนมาแล้ว เมื่อปีหนึ่งสมัยที่ฉันอยู่วัดบานองโคอำเภอเชนาจังหวัดสกนครฉัยนยังเป็นหนุ่ ม, มาอายุยี่สิบห้ายี่สิบกตอนนั้นฉันมีลูกแล้วมีลูกหลายสิบคนจะไม่ได้ว่ามันกี่สิบคนแน่แต่แต่ว่าพอมีงานวัดเขาพากันมาหาฉันประมา ณ, ณมเจ็ดสิบคนเนี่ยจะยิงบ้างลูกผู้ชายบ้าง เขาบอกว่าหลวงพ่อแกมีงานแล้วก็แต่แกก็ไปในงานหลวงพ่อแกเขาบอกลูกเขาก็พามาพอพามาแล้วเขาก็มานั่งคุยกันคนที่เขนําลูกลูกของฉันมาหาฉันให้ลูกเลยฉันไม่ได้ทำไม่มันเกิดขึ้นหรอกคนอื่นเขาทําแลยเขาไม่ยกให้ <c oughs> แต่เขาก็เล่าอาการให้ฟังว่าลูกเขาบางคนเขาบอกาอาการไม่อย่างนี้เขเรียบร้อยกระตุ้งกระสิ่ง แต่ว่าอเป็นู่งนันแล้วกิริย า, าการมันเปลี่ยนหมดกลายเป็นคนดุร้ายจะเอาอะไรต้องให้ได้สมความปรารถนาตาดอยู่อย่างนึ่เมื่อโตแล้วพอที่จะไปโรงเรียนได้ไม่มีใครที่เกลียดไปโรงเรียนมีแต่นคนยากจะไปโรงเรียนพ่อแม่บอกว่าย่งเล็ก ม, มให้ไปก็ไม่ยอมนีก็ิดันเหมือนกันคนเป็ น, นเปนน เ, ปนเป็นคนอบ แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังชอบเรียนอยู่แต่มันก็มไม่ไหวแต่ละไม่แตกแต่ยังอดยังอดคุ้นตำลับตำราไม่ได้แต่ว่าการคุ้นตำราเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนคนมาแล้วคนคนแล้วก็ค้นใจโดยว่าไอ้คนเขียนนันมันเขียนตรงความเป็นจริงแต่เขียนไม่ตรงความเป็นจริงเขก็อยากจะเขียนแกทำไมแต่ก็ไม่ไหวมือไหมก็ไม่ไหวเวลานี้เจีสก็ไม่เป็นตัวยืมตาการตอนเด็กเล่าให้ฟัง ีิสัยเป็นอย่างนี้จะ้นี่อย่างหนึ่งที่เป็นนิสยัยที่บอกว่าคิดจะทําอะไรก็อยากจะทําให้ได้สมความปราดธนาเรื่องของสมาธินี่เล่าว่าเป็นหลักไใจนะ่ะเป็นหลักคิดใจของเก่ามันมีอะไรอยู่บ้างแล้วมันติดติดมายังกว่าจะเข้าที่เก็บบ ท, บ, ทบทเบอร์ตอะไรเนี่จะเล่าเลยแตเป็ น, นิทานแม้ตอนนี้ฉันยัอยุ่คิด เป็นปีสองปีตอนนี้ต่อกันฉันจได้ว่าเป็นปี เ, เอ็ดีเศก็ยากปีสองนั่นเองมีเจื่ อ, อมีลคนหนึ่งเป็นแพรมาที่บ้านแล้วเขาเลยก็ว่าแพรมีวิชาความรู้พิเศษมากแล้นก็ถามไปเรียกพ่อเหมือนกันก็าเป็นเจื่อนของพ่อเรพ่อครับพ่อมีความรู้อะไรเป็นพิเศษบ้างไอ้คาถาคมต่าง ผมอยากจะได้ของที่สำคัญที่สุดที่พ่อรู้แต่ก็ยิ้มแล้วก็หันมาพูดกับพ่อฉันว่าดูที่ททฉันลูกของฉคนนี้มันไม่เหมือนคนอื่นหรอกเป็นคนดีมีสมาธิมากฉันบอกแล้วบอกว่าแต่ตอนเกิดใหม่ๆว่าเด็กคนนี้ไม่เหมือนชบันต่าเรี่งไม่เหมือนเขาแล้วท่านก็เลยบอกว่าฉันมีฐนะานบทนึ่งเอาบทที่สคัญที่สุดเนะแล้วบอกว่าใชา่ สมุติฐานเนี่ยเรียกคนให้มาหาเราที <wont Momo S 2> ่บ้านได้ต่วิธีเรียกจะม่เคเรียกเขเดินมาเรียกให้เขามาเตอ่นาจัจะเป็นผู้หญิงก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้เนี่ยอท่านพูดอย่างนั้นเราก็ถามว่าเป็นไปตามความจริงเป็นจริงหรือสมุติฐานก็จริงอใช้านบทน้พใช้มากเราย่าเนรคุใครสักคนนึงที่เป็นเดเมงค เราไม่ต้องการจะไปหาเขาแล้วก็นั่งวางกระถาบทีนี้แล้วเขาจะมาตื่นที่หน้าตาของเราเองไม่ใชตอบใจเพราะความประสงค์ของเขาเลยเคเป็นอย่างนั้นเลยบอกว่าถ้าต้องการจะพบเพื่อนๆจะเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนก็ได้จะบังคับให้สมมตหาได้ไหมท่านก็จะบอกว่าได้เลยไม่มว่าผู้หญงหรือว่าผูชายบังคับให้มาได้แต่เขาจะมาอยาการหลับพอถึงเราแล้วเขาจะตื่น คาถาวิธีว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อเขามาแล้วเราอยากจะให้เขากลับก็จะบังคับให้เขากลับแบบหลับหลับอย่างนั้นได้ไม่ล้วงหวะเดินกลับเขาบอกคนได้เป็นไปได้ท่นก็เลยบอกคถาให้ในคาถาบทนี้จะครอบติดไม่กล่าวในที่นี้ดีไม่ดีคนที่นักเลียนสมาธิจำคาถาแบบใดจะเป็นโทษฉันถ้าเขานพิ่มว่าฉันมาขเขา่พบหลับหลับมาตือนเขาก็เป็นการดี เพรา่ถ้าเขาคิดว่าจะเป็นเรืองเด็ดตรงกันข้ามใครสักคนหนึ่ ง, งามากรทันการย่ำดีให้เสียิขบุคคลคนนั้นไอ้นรกมันะจะกลายมาติด่ลอยให้ฉันลงนรกคนเดียวนในไอเรไปอย่างนี้แล้วก็ถาแล้วไม่มีแค่เท่านี้ถาเร่งลงนรกของันยมีอีกอีกบทแต่ก็ไม่บอกทั้งสองบท แก็บอกให้เรียนวิธีเรียนทํายังไงจะล่าให้ฟังท่านบอกให้เอาน้ำเอาเอาขันขันล่งหินไอขันขันใหญ่ใหญ่ถ้ตั้งขันแล้วเทียงหยดสองข้างตักลงไปสองข้างตักไปที่ันมาเทียนตักลงไปแล้วให้น้ำใ ส, สขึ้น่งเทียนนั้นให้เห็นขี้ของเราคนที่จะทําเป็นที่ขันเล่มแล้วเห็นขี่คนอีกคนหนึ่ง ที่เราต้องการให้มาพบไห้มาหาที่มาได้กันหลับๆลบลบเล่มหนึ่งแล้วก็จุดเทียนแล้วว่าคาถาภาวนาฉันบอกว่าต้องทําในเวลาสงัดถ้าจะเป็นกลางวันก็ต้องหาป่าชา้าหรือว่าหาป่าทรับที่สงัดสงัดนั่งภาวนาเจ้กวาดเทียนนี้จะเด้งเข้าไปชนกันในเลขเทีนที่เด้งเข้าไปใกล้กันจะมีล่างลำำําดําหย่อยหๆมากเด้นมาเกิไกล เห็นไม่กําลังใจห้ามเลียมตาแต่บอกตอนนั้นเลิยมตาเป็นบ้าและะ้วก็เนื้อร่างดำดำมาถึงเราก็จะมีการวูบผ่านไปมีลมดเย็นๆแต่ถ้ากับลม ก, กะรละทบแรงแรงร่างดําก็จะห่างไปอาการอย่างนั้นจะกดเป็นสามครั้งแต่กดสามครั้งครั้งที่สามนั่นแหละคนที่เราต้องการพบจะมาถึงเราที่หน้าตากักคุณจะตื่นยู่ตรงนั้น คนบอกไแล้วฉันก็เอาเลยถามว่าพ่อต้ยกครูไหมท่านก็นบอกว่าไม่ต้องยกครูลูกนี่ไม่ต้องยกถ้าคนอื่นต้องยกครู12บาทหัวโหมใบสีสมัยนั้นน<ม>ี่ปลกเลยทำไมไม่หัวโหมก็ไม่ทราบก็เลยถามว่ากระเพาะมาชินหมูนี่พ่อทไมมีหัโมกสกครูสั่งอย่างนั้นไดกินไกินไม่สคัญครูสั่งต้องปฏิบัติแต่สำหรับลูกเขาบอกว่าถ้าเป็นลูกไม่ต้องยกครูก็ ถ, ถ่ายพอจากพอ่อ ยิ่งพ่อหม่แท้พ่อแท้นาเป็นคนไทยเ <c oughs> จ้าพ่อคนนี้เป็นเพื่ยนของพ่อทั้งกระสือว่าเราเป็นลูกไม่ต้องเสียจะตังคนงนื่นในตอนสมัยนั้นถ้าติดสองบาทจะต้องเสียลราหูโตกเลยแต่งเงินหกใบข้าวสวยสาหก่อนเขาจะเสียจะไม่ได้ต้องจับไปทํางานทําการไปติดคุกติดตารางกันใช้ท่าฉิบไ ท, ทยของเงินถ้าต้องยกโทษติดสองบาทก็ยัไม่มีทางเรียนเมื่อเรียนแล้วก็เริ่มทำ ทำนั่นไม่ได้ทำผู้หญิงเพาะนั่นเป็นเ็กๆทผู้ชายตอนกางย้ายเปนคนไหนก็ามาพบในเวลากลางคืนหมายความเวลานอกันแล้วก็เริ่มปฏิบัติ่แรกก็ได้ผลเียคลนเดียวเพื่อนก็มาเตือนที่ตัดพอมาถึงแล้วก็ถามว่าคุณมาไงวะเราไม่ได้บอกเขาคุยไปคุยมาเลยบอกบอกบวอยากจะกลับบ้านก็นอนใหม่ แล้วก็ทานอย่างนั้นเขาก็กลับไปได้เนี่ยเปเคล็แรกเท่านั้นะที่เร า, เอาไอตานนี้เห็นว่าสมาธิเดิมกําลังทานตามมาแก่ความเป็นลมที่สามารถทําอะไรได้อย่างนี้เจนได้รับฟังอย่างเดียวเองก็สามารถที่จะทําทสมาธิไอถึงกาหนดได้ต่อมาเมื่อความเป็นพระทานได้เสร็จทำน้ำอะไรทิ่ ง, งติดปูอะไรตวัวอะไรพวกนี้กันเลย ก็ตาพุนิช เ, เล่นในการทดลองจิตแล้วก็ทําได้อย่างพุนี้ที่เรียกว่าตําราบอกว่าสามเดือนสําเร็จฉันก็ทําเดือนเดียวตําราบอกว่าเจ็ดวันสาเร็จฉันก็ทําในวันสองวันกเส็จเรีนได้ผลสงความมุ่งหมายที่ตําราบอกด้วการอย่างนี้ที่เรียกว่าแตกต่างจากคนอื่นเขาก็เพราะว่าพลังฌานใจฉายก่อนคุมมา แต่ว่าฉันไม่รู้คุณค่าของการไม่มีใครบอกฉันว่าฉันว่นาจริงเรานั้นเป็นฌารแต่เป็นเรื่องที่ฉันเล่งของฉันเองมี่เป็นการมเป็นกรรมติดมาแล้วว่าการเกิดมันนี่ฉันก็ไม่มีความสบายมีตากระทบกกระทั ง, ทงตลอดเวลาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาอารมณ์จิตเวทศาสตรารกกับทรมามากพกเกินเข้ามันจะเข้ากันได้ไหม เมื่อคนต่างชั้นวรณะต่างดักูลและการศึกสาไม่เสมอกันอยู่ด้วยกันมันลงกันไม่เสด็จได้ขอนี้มีอุปมาชั้นใดเมื่อเจอคนที่มีบารมีไม่เสมอกันอยู่ด้วยกันมันก็ลงกันไม่สด็จได้เพราะมีความเห็นไม่เสมอกันในตอนนั้นเพงเคยปรามาตรผู้ใหญ่เป็นร้ายร้อยคนเขาไม่ปรามาตรใไหมความฉันเห็นว่าผู้ใหญ่คนแก่ไม่มีความโง่มีความคิดอัน ไม่เฉลยเล่าไหร่ไปคิดอะไรข้างครู่ว่างทีไปวังบางครั้งตัดสินความเป็นมาของเด็กที่ทะเลาะกันก็ไม่ไม่ยึดติตรทำในโทษที่ไม่สมควรฉันมองดูผู้ใหญ่หลายคนปฏิบัติตนอย่างนั้นฉันคิดมานี่เขาเกิดขึ้นมาทําไมนะแกแล้วทําไมไม่มีความรู้ทําไมไม่มีความคิดในเชิงคิดใใจปรามาสไปหลายๆเต็มทีแม้ก็เป็นจริงตามนั้น ไม่พอ่ออารมณ์ของฉันไม่เหมือนเขาพระก็าตามชา บ, บ้านก็าตา ม, ามาก็าไม่จะหาว่าฉันเป็นอะไรต่ออะไรก็าไม่ทราบบางคนก็ดูถูกหาว่าฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นคนขี้เกียจบา้างอะไรต่ออะไรบ้างในเวลาเรียนฉันตั้งใจเรียนเขาก็หาว่าขี้เกียดทํางานอะไรก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเขาก็หาว่าเป็นคนนอกหอบบางรายเขไม่เด็กจี๋ฉันก็าเลไอเกน เอาไว้จอมแก่งแก้วไอ้จอมแกงแจ้าในที่นี่ก็หมายความฝืนอารมณ์ของชาวบ้านในชาบ้านเขาจะทําอะไรฉันบอกว่าไม่เรียะฉันไม่เอาพลงฉันไม่เอาคาําเรียวมันจมาเย่งกับฉันมันจะเป็นยังไงก็เหตุเป็นไปเลยทีเดีถ้าอาการอย่างไรก็ตามให้ฉันต้องการแล้วจิงนั้นใครจะทําหรือไม่ทําก็ตามไม่ทาฉันก็ทําทขาแต่งคนเดียวแล้วก็ไม่งอภัย เนี่เป็นการคลเรื่อการมุขมานะตามหลักพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าวิริยะบารมีติดตามมาเข้าใจไหมวิริยะบารมีได้แต่ความเพียรที่ที่บำเพ็ญผ่านมาแล้วตามมาสนับสนุนสลงานมีเล่าถึงเรื่องตนๆตอนนี้จะเล่าในการต่อไปตอนเป็นเด็กเคยเว่า อ๋อใครจะว่าเลิกแค่ทีเดียวก็ไม่ได้มันมีเรื่องสำคัญสำคัญที่คนจะรู้ตรณี <c oughs> ในตอนนั้นฉันมีท่านย่ากับทัานยายเป็นนักภาวนาท่านย่าของฉันน่ะพระพุทธละ ด, ดีดีเลยอครจะไปยังไงมาไงก็ยิ้มยิ้มตลอดกันท่านแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนอายุ3ขวบฉันตายตายไปประมาณ8ชั่วโมงนี่ไม่ใช่น้อยไอ้ตายเลยฉันตายมาแล้วสครั้ง มืถึงจังหวนะนั้นจะเล่าให้ฟังจะเล่าฟังต่อกันก็เลยก็ดีนะเรื่องตายๆจะได้จำเอาไว้่วาตายมันเป็นยังไงการตายมันน่ากลัวไม้มคนจะกลัวตายกันนะักแต่ความจริงความตายไม่มีอะไรน่ากลัวตายใช่นด้ละมันดีแต่ถ้ามันตายเองอย่าไปฆ่าตัวตายมันจะลงนรกไม่ควรทำถ้าจะฆ่าตัวตายก็ต้องฆ่าเป็นฆ่าและไปไม่ผานเลยนะคนจะทได้อย่างนั้น ไย่เวไปทำนะไม่ควรลำบากว่าเปล่าดีไม่ดีจิตกันพับทิ้งเดียวไม่ก้มเดียวลงนรกไม่สนุกเป็นกล่าวว่าเมื่อยูสามขวบฉันตายทั้งนตึงไข้อะไรไข้ขัดทนแม่ว่าอย่างนั้นท่านย่านี่ก็มาพยาบาลฉันอยู่ตลอดท่านรักฉันมากเป็นคนโปรดของย่าแล้วก็เป็นคนโปรดของยายแต่คนอื่นโดยมากโดยมากเขาไม่เคยสอนฉัน ใทราบเป็นอะไรเขาหาว่าฉันแก่แก้วเป็นคนดื้อบังอะไรบ้างเป็นเรื่องของเขาพราะาท่านยาท่านยายกับโจฉันก็ไปกินกับทายานย่อยไม่อยู่ก็ย่าก็อยู่กับยาไม่อยู่กับยายก็ไปหาญาติองคนนี่แหละไอ้ที่กรจนฉันารดูฉันเลยแล้วถ้าาฉันอยู่กับท่านใครดูฉันก็ไม่ได้ไใครว่าทึเข้าท่านก็เลยบอกว่าไอ้เองมันดีไม่เท่าเด็กท่านไหอย่างนั้น เมื่ท่านเป็นผู้ใหญ่นี่ยท่านว่าอย่างนั้นใครจะไปเถียงท่านเถียงท่านก็ไม่ได้ดันเด็กผู้ใหญ่แล้วก็มีอะไรน่าแปลกอ ย, อย่างแต่เจ้าของฉันนั้นไม่เคยไม่เคยมีคมคคใครเถียงผู้ใหญ่แต่โดยมากผูยย้ใหญ่ก่อนที่จะพูดกันมาก็ต้องตรองแล้วตรองอีกจะเป็นอย่างนั้นนะจะไม่มีใครเถียงนี่จะคิดมาอย่างนั้นถ้ามีใครเป็นชนิดผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่านั้นแหละจะเรียกไปสนาบ ท, ท่านฮาว่าทําไม่ถูก ทำอย่างเด็กก็เสียคนหมดเป็นท่านใหญ่เยุติธรรมเห็นท่านญาตเิเรียกพวกอาบ้างพวกใครด้าใครบ้างมาเทศหนหลายครั้งท่านสอ น, นันท่า น, านเป็นพ่อคนแม่คนนะท่านก็ยังสอนว่าไอ้เรื่องไม่ดีนะอย่าทำให้เด็กมันเห็นกินเหล้าเมายาก็ไม่ใั่ใครกินเหล้าไปหาท่านไม่ได้ถ้ารู้ว่ใครไปกินเหล้าที่ไหนถ้ามาหาท่านทกนังเทอยู่มดาท่านก็พูดให้ฟังว่าเอเหล้าเนี่ยมันเป็นอาการของคนบ้า ใครอยากบ้าใครก็กินเหล้าแต่บ้านฉันฉันไม่ต้องการความเป็นคนบ้าฉันไม่ต้องการบ้าและไม่ต้องการเห็นคนบ้าใคขึ้นบ้านฉันไม่ได้่เป็นอาการของท่า น, นย่าเป็นคนไม่ชอบเหล้าท่านพ่อต้องเลิกเหล้านาเา้เลาถึงความตายเมื่อท่ยาจะมาพยาบาลอยู่สวันก็ตายเื่อตายแล้วท่านก็นั่งมองเ็นทนแม่ไฟังว่าท่านเสียใจมากแต่น้ำตาทานไไ นกเด้งกลับบ้านบ้านอยู่ห่างกันไม่มากประมาณทับสินกระเด้นกลับ้านพอฉันกับบ้านทั้าอาบน้ำชระร่างกายเรียบร้อยแต่งตัวก็สบายฉันอาไล่คำว่าพอแต่งตัวเรียบร้อยเท่านั้นนีะยฉันวิ่งจากบ้านเลยทีเดียววิ่งจากบ้านพอมาถึงบ้านพ่อฉันแม่ฉันที่ฉันตายอยู่ฉันขึ้นทาันโดดทีเดียวขึ้นาลสานแล้วเป็นนั่งตมมา กูเรียกคุณนี่ดิคุณนี่เข้ามาบอกว่าทำไมมันโรคกูเป็นโรคตอนนี้มัรักษากันไม่หายเอามารักษาทำไมล่ะคุจะรักษาคุณเองฉันเองก็ตกใจว่าเอ๊ะันยาหรืยังไงก็มานั่งพยาบาลอยู่ด้วยกันไม่เออะโวยวายอย่างนี้พูดในกูทกเคยใชั่งกมรงะดิขา มีคนสงสัยท่านพ่อเข้าไปยกมือไหว้วกแม่ครับกูแม่กูมาพยาบาลเองนี่ครับแม่ทำไมกูม่โทษผมว่าลูกทำไมกูจะไม่รักผมก็รักเหมือนกันลูกมีอะไรจะมารักกว่าลูกทไมมีแ่ม่ารักษาไม่หายท่านแม่กูมารักษาเนียนครับทไมม่มาวงก็เลยหันไปจับว่ากูไม่ใช่แม่กอมึงเอาเขแล้วเรือไปกันใหญ่ีนีทุกคนก็เลยเข้ามารวมกันถามเป็น บอกวกูเนี่ยเป็นพระอินเนื้อลูกของกูมาเกิดเป็นลูกชายกูมันหลายร้อยหลา ย, ยพันชาตมให้มาเกิดในเด็กเองของพวกมึง ถ, ถ้าโลกแค่นี้มันสาแลไม่หายเดี๋ยวกูยาวไปเลยกคยูคงจะขอร้องบอกว่าถ้าจะทาให้หายได้เพนได้ขอให้ท <c oughs> ถ้าให้หาพุธมาสามดอกมาขันลูกก็ทำเป็นตะบนหยดลงไปในปากสองหยด ก, ก็ลุกตั้งแต่ากงเท ก็เป่าไป่มาท่านบอกว่ า, าการมสักนาทีก็ปรากฏจะรู้สึกตัวร้องจ่าขึ้นมาทุกคนดีใจ mm hmm. แท่านก็เลยให้น้ำมนไบท์บอกว่าไม่้ใช้ยาอะไรกินน้มนอย่างเดียวหา ย, ยงนไม่ได้ใช้ยาเลยแล้วท่านก็นลาออกไป mm hmm. ออกไปแล้วหมายความว่าไม่ได้ดกลับไปบ้านไ ป, ไปยินออกไปเลยยา mm hmm. ฉันอ่ากมองคนนั้นทีมองคนนี้ทีมองไอไม่เขามายังไงนีวะันมายังไงเอนันเลยเล่าอาการให้ฟังท่านก็นดใจเลย้ไปรับฝันฉท่านแม่ลอยฟังยังไงไม่าาตายตอนนี้ไม่มีประยชอะไรนะแต่ถึงกูว่าคนเราเกิดมาี่มันต้องสายนะคิดไปสมมว่าเราจะต้องตาย การความการคิดถึงความตายเป็นปกติเป็นการเจริญมราณาโุสติกมถานแล้วก็จงอย่าคิดว่าเราตายคนเดียวแต่คนทุกโลกทุกคนในโลกนี้ทั้งหมดตายทั้งนั้นสัตว์สียงทั้งหลายทั้งหมดในโลกทั้งหมดที่เราเห็นอยู่จะเป็นบ้านจองเรือนโรงทับสิอนอะไระก็รอะไรก็ตามวกเขาล้ำหนาป่าไม่ก็พังพินาตบทัฉะนั้นไม่มีอะไรจะโกงสะา ถ้าไม่แน่ใจก็ไปดูโฆษณสลัดจังวังโบสถรานที่เขาส้างไว้แล้วแขงแรงแม้ขอเก่ามันผูกมันพังไปเท่าไรดิวันนึกถึงภาวะของคนตายในโลกนี้คนเกิดมาแล้วเท่าไรตายเท่าไรถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์ก็อ่านประวัติศาสตร์ให้มากๆมาอ่านไปแล้วก็นึกถที่ว่าสมกษัรองค์นี้คนนั้นอมหาสนาบดิยุนีนายทหารคนน้นที่พกล่าวในประวัติศาสตร์ีใครเหลืออยู่บ้าง อ่านแล้วก็จะเห็น ต, ตัวหังสือที่เรากล่าวไว้ไม่มีอะไรเหลือที่จงคิดไว้ว่าความตายเป็นปกติของบุคคลธรรมดาคนทุกตัดเหมือนกันที่เกิดมาในโลกแลกต้นพืชต้นพันธุ์ต่างต้นไม้เลื้อไม้ต่างๆก็เหมือนกันมีสภาพตายมีสภาพหลายหลุไปมีอาการว่างเหมือนอากาศคนโบราณอิทียเยอะ ก็ได้ยินไปที่มองไม่เหนตัวเป็นอากาศจะทาไปหมดราช จ, จะถานของพระมหากษัตริย์ของใครกับของใครบ้านเมืองต่างๆที่เขาเกล่าวว่าวิกฤตเคยสดสวยงามในตำบัตตำราและในหนังสือต่างๆมันก็เป็นอากาศไปหมดแล้วว่างมองไม่เห็นมีคิดว่าคนทุกคนสัตว์ทุกผู้และสัตว์สิ่ง ท, ทั้งหลายทั้งหมดในโลกมีสภาพว่างเหมือนอากาไม่มีอะไรเหลือเป็นอนต บันคับไม่ได้ทำใจสบายในวันตายมันจะมาถึงปล่อยมันจะไปดินลนในตโนสวันเราเลอกไปได้แต่เราอยากไปสวรรค์นึกแล้วก็ให้ทานรักษาจิให้บริสุทธิ์ถ้าเราอยากไปพรมนึแล้วก็ทากานสมาบัติเชิงปรากฏถ้าเราอยากไปนิพพานนึกแล้วก็เจริญนิพพสนญาณหมดความรู้จึกอยากได้อะไรต่ออะไรเสิ้น แต่ไม่เคยปลความรู้สึกยาวแล้วก็เลยไม่อยากจะมีอก็เลยอะไรท้งอะก็เผาหมดอย่ใช่ไม่ได้หุดเผาใช้ไม่ได้การตืนกดความเป็นจริงเผาใจจะเผาของจะทำลายของเขาไอ้ของนั้นมันเป็นสมบัติของโลกใครเด็กครองโลกเขาจะรักษาจะใจสอยเผาใจเผาใจให้มันไหม้ไป นีอะไรอยู่ก็คิดว่ามันสักแต่เพียงแท่เราจะอาศัยมันเมื่อมันชีวิตไม่กินไม่ชีวิตกินลมปรานไปแล้วเราก็ไม่สามารถจะอาศัยมันได้เงินทองเข้าของที่มีอยู่ก็มีสภาพเหมือนกันมันมีสภาพอย่างนี้เมื่อมันไม่เจ๊งเราก็เจ๋งมืมันไม่ตายแล้วก็ตายเมื่อเราอยู่มันอาจจะหมดไปก่อนหรือเมื่อเราเมื่อมันอยู่เราอาจจะตายก่อนเป็นเรื่องธรรมดา ให้ตหนบบของโลกที่วันโลกไม่ต้องการมันอร่างกายที่เรามีนี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราไม่ตราตรามันอีกไม่ต้องการอะไรมันให้ร่างกายที่มีแต่ความปวดหัวเจ็บทองวดท้าว่าไรต้องทางานานอกนเน็ดเน่อยหายใจไม่ออกทดีไม่เป็นดีต้องเอาใจคนโ้นเอาใจคนนี้เอาใจแค่นั้นแล้วอตอนนี้เขาว่าดีว่าทำตามเขาต่อไปเขาเกิดว่าไม่ดีเขาจะาเอาอย่างงงเสมอแล้ว ก็ไอเรื่องของคนคบมัเข้าเท่าไรมันก็ยุ่งเท่านั้นไอคนนั้นมันแปลว่ายุ่งมิจจไม่ดีคิดไม่ไวไอคนตายเป็นของธรรมดาสำหรับฉันเองเห็นเป็นของธรรมดาจริงๆเรื่องความตายนี่ฉันเล่าตายมาหนึ่งฉากละแต่หลังจากตายจากฉากนั้นแล้วมาวาระนั้นแลมาอายุสามขวบเนะี่ยฉก็เป็นเด็กเรียนหนังสือ อเรื่อเียนหนัสืของฉันเนี่ยัมเคยมีใครมาเตรี่นเตรียมก็ฉันพร้อมแต่อาการเรียนของฉันมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านอะไรก็ตามทารับฟังมาจากครูแล้วไม่มีการดูหนังสือที่บ้านอีกอะไรเพราะไม่เคยมยังมกจากเรียนหนังสือแล้วฉันก็ยังกินอย่างกินต้นไม้กินไอขินต้นไม้เยไม่ิดกินต้นไม้ช่อทํางานทำการอะไรไทยเขครอกตอบมัวงกับฝรัง ทะเอาอดไหนนีมาม่วงฉันก็ขึ้นมาม่วงแล้วออกติ๊กจะเกลือห่อขึ้นไปด้วยเดี๋ยวไม่ชอบเกลือเกลือกับติกมัที่จะเฉยๆจะลงมากินข้างล่างก็กลัวไอ้คนอื่นที่มันไม่ยอมขึ้นเลยมันไม่เสี่ยงแ m ้วมัน i ะแย่งกินที่มันโตๆกว่ามันย่งกินมด้ลงมาแต่ไม่เอาขึ้นไปบนต้นกินันนั้นเลยได้หนึ่งกินหนึ่งได้ t องกินสอง จะว่าตั้งถึงจะดูมะม่วงแล้วก็ท่านแม่ท่านสงสารไม่จะต้องตะเกียกตะกายม่วตัวจะหล่นลงมาผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงเด็กแนั่งต้องซื้มะม่วงไว้ในห้องนอนในห้องทีฉันนอนื้นอให้กลับมาจากโรงเรียนเจอะม่วงแล้วก็ไม่ไปไหนนอนกินหลับไปเลยนี่เรื่องของมะม่วงแกไดูมะม่วงหมดไปก็ว่าฝ ร, รังรร่งอะไันนี้ฝรั่งมันไม่มีดนนมูนี่นต้นไม้กินอีกแล แต่แม่แต่ก็ต้องหามาให้เนี่เป็นของที่ถูกใจที่สุดไอ้จองเสีงแก้วคือเด็กสมัยเป็นเด็กเด็กต่อมาแต่ว่าฉันมีการเรียนที่มือสัตวการสอบไล่ในสมัยที่เรียนทางโลกก็ดีทางธรรมะก็ดีฉันไม่เคยตกคํำว่าสอบตกไม่เคยมีในประวัติศาสตร์แม้ในขณะที่เรียนหนังสือในห้องเรียน ถ้าฉังคิดมางดนี้เขาจะตอบให้เราที่หนึ่งฉันต้องได้ที่หนึ่งน ม, มันมีเพ อ, อยู่คนนึ่งล้ได้ที่หลลลหลายหนเขาก็บอกว่าขอคุสักครั้งแล้วบกเอา่ครั้งที่หมึงเอาไปกูาที่สองมันได้าเขาด่อเลยบอกว่ใช่ิโ้โหกันมามีครั้งเดียวให้เาที่นบอกในชีวิตนี้ท่านยิกูจะให้มึงคราวเดียว ยิ่งรู้สึกว่าการเรียนในสมัยนั้นดีความทรงจำดีก็เพราะท่านี้เพราะอะไรพบพบครูดีครูก็คุยสอนไม่ผู้ชนะสอนเราตั้งใจจำในีู้ก็อย่างหลักธรรมดาที่จะกลัไปทีก so ็ได้น่าสมาธิจิตเดิมคนที่ทรงสมาธิใะปัญญามันดีแต่ความจริงเพอะไร เพราะว่าจิตมันไม่จับกระ ส, ส่ไปชั่วเราเมื่อเวลาตั้งใจฟังครูสอนเนี่ยันไม่ยอมให้ใคมกวาฉครมาพูดไอ้อะใครยังมาเล่นขานฉันไม่ได้เวลาัน ฟ, ฟังฟังจริ ง, รงตาดูฟังครูสอนนะเรต้องตาดูฟังครูบอกองอเดียว่ครูพูดอะไรมันได้แค่ตาดูแตงหูฟังใจนิามายอันนี้จะกล่าวอย่างนี้ถ้าเ้าจะไปบังคับให้เด็กทุกคนทอย่าง เไม่ได้หรอกลูกอาศัยบารมีของเขาถ้ารามีเด่นของเขาไม่มีเขาจะปัญญาจะทรงไม่ได้ท่านสมเด็จพระพุทเจ้ากล่าวว่าปัญญาจะทรงได้จะดีได้ก็ตัสมาธิเป็นสมาธิจะดีได้ก็ต้องอาศัยศีลบริสุทธิ์ในเหื่อองประการนี้ต้องมีความสัมผัสกันสมาธิจะทรงได้ก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์ ปัญญาจะแจ่ไใสก็ต้องอาศัยสมาธิบริบูรณ์แล้เมื่อบุคคลมีสมาธิแล้วจะมีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำจะมีปัญญาเป็นเครื่องคิดเป็นปัญญ า, า, าที่เจริาสุขุมขมีระพัวิจารวิจัยอะไรต่ออะไรได้ไม่ชัไม่ก่าวในทางโลกถ้ากล่าวในทางธรรมะคนที่มีสมาธิตั้ง ม, ในในนมันได้ช้าสมาบัติเรนิพพนายานหมได้ายา น, น่พัฒนายาย่างไม่ชา้า เรียกว่าเพียงเอาวันนี้สดิบสด i บก็สามารถจะจะพัฒนาอางใดอย่างอาจจะบรรลุไปถึงนาสิทาาาธรนงกหดที่เรานาแต่งนี้ก็ต้องอาศัยบารมีเป็นีเรื่องบารมีนีเป็นสคัญบารมีก็ไม่มีอะไรที่ทจริง อะไรที่พระพุทธเจ้าบอกคนละละจริงๆอะไรที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติจริงๆี่เป็นบารมีจะ ท, ทำให้มันเป็นเป็นกนของความดีบา ร, รามีทงงี่ตมถ้ายังบกพร่องไม่บริบูรณ์ยังไม่นคนไม่เต็มเรียกว่านคนไม่เต็มบาตรของไม่เต็มที่ของไม่เต็มภาชนะมัเนเลยควรตองปของต้องมันใชเอาดีไม่ได้มันพอใช้ได้แต่เอาดีไม่ได้ แต่ถ้าเราเป็นคนมีอะไรเต็มเต็มเพื่อทำอะไรทำได้ความเต็มใจทําอะไรทำในอาการเต็มมาการที่จะต้องผู้ปฏิบัติถ้าจึงเหล่านี้เขาจะต้องจะต้องปฏิบัติยังไง